เราพอดีมีคนถามปัญหามานะนพระเศียรของพระพุทธเจ้าทำไมจึงมีลักษณะเป็นอ๋อคือเียอธิบายเรื่องการสร้างพระพุทธรูปนะการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเกิดขึ้นมา ถ้าตำานตำนานตำนานเก่าเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงวชนอยู่นั่นคือสร้างสมัยที่มีทำเป็นไม้จันทร์ตอนจะยุคที่พระพุทธเจ้าไปที่ดาวดึงอันนั้นแต่ตำาตำนานนั้นก็เขาก็ไม่ค่อยเชื่อถือกันเท่าไหร่แต่มาเกิดในยุคหลังในะประมาณพุทธบาิีนิพพานประมาณส500ัก0 0ปีทีนี้การสร้างพระพุทธรูปนี่ยอม บุคคลที่เขาจะสร้างเนี่ยเขาจะดูในไหนดูในมหาปุริสระขณะในลักษณะ32ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้ามีลักษณะพระเสียรอย่างไรมีพระนาภีอย่างไรมีพระเนตรอย่างไรเป็นต้นมีพระเมลียังไงเป็นต้นเนี่ยก็คือลักษณะที่สร้างพระพุทธรูปจะมียอด เรกล่โลคุตละนี่นี่ที่ตั้งที่สร้างไว้นั้นเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระ อ, องค์ประทับเนี่ยจะมีพระรัศมีแผ่สร้างออกข้างละวาตลอดเวลายอมได้ยินครับว่าทิวาตปฏิอาทิโยรติมาปาฏิจันติมาสันโถคติโยตปฏิชายตปฏิพระมโนอัฏฐสัพมโหรติงพุทโธตปติเตชะสา ตาทิสังเตจะสมปันางบุททางวันทามีสาธะรังพระอาทิตย์เนี่ยมีความมีการสว่างรุ่งเรืองในเวลากลางวันใช่ไหมสว่างเป็นเวลาใช่ไหมพระอาทิตย์เนี่ยสว่างรุ่งเรืองในเวลากลางวันพระจันทร์ก็จะสว่างรุ่งเรืองในเวลากลางคืนผู้ได้ฌานสมาบัติก็จะสว่างรุ่งเรืองในขณะที่ตนเองเข้าอยู่ในฌานสมาบัติเพราะคนที่ได้ฌานสมาบัติเนี่ย อำนาจของฌานสมาบัตินั้นจะขับทำให้มีพระมีความสว่างมีความเอิบอิ่มในขณะที่อยู่ในฌานสมาบัติพระราชาหม า, หากริย์ก็จะมีความสง่างามในขณะที่ใส่เครื่องทรงกระสัดเครื่องทรงได้ครบเห็นไหมพระอาทิตย์พระจันทร์ผู้ได้ฌานสมาบัติและพระราชาทั้งสี่ประการท่านจะงามเป็นช่วงเป็นเวลา แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่จะมีความสว่างงดงามทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งในขณะยืนขณะดเดินขณะนั่งขณะนอนแม้อยู่ในียบบทใดๆก็แล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะมีความงดงามได้ตลอดกาลและทุกเมื่อแม้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตดงนั้นพระพุทธเจ้าแม้ทรงเสด็จดำเนินไปณนะสถานที่ใดเนี่ยก็จะมีพระรัศมี แผออกจากพวกรากายข้างแล้วเท่าไหร่ข้างระหว่าจะแผ่ออกอยู่ตลอดเวลานี่คือความงดงามที่พระผู้มีพาคเจ้าเนี่ยมีความงดงามในลักษณะอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินเนี่ยจะมีลมอ่อนๆพัดพัดเอาอะไรพัดเอาพวกขยะมูลฝอยให้หลบหนีไปแล้วเวลาพระบรมศาสดาย่างก้าวพระบาทไปเนี่ย พวกตอพวกหนามพวกไอหินกรวดทรายทั้งหลายก็จะหลบลงพื้นหมดเลยนี่นะพื้นแผ่นดินที่โนนก็จะยุบลงพื้นแผ่นดินที่ยุบลงก็จะโนนขึ้นมารับผบาทพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ถามว่าที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพบราระบัลลีที่สั่งสมมาในอดีต ให้พระเจ้าสั่งสมบารมีอะไรในอดีตโอ้พระเจ้าเนี่ยสร้างถนนถนทางแผ่วถางทางทางํทาปรับที่พื้นไม่สะอาดให้คนเดินที่ที่มีตอมีหนามมีตะปูมีหนามมีตอมีสิ่งทั้งหลายที่กีดขวางพระองค์ก็จะแผ่วถางทางดําเนินให้กับพระพุทธเจ้าให้กับสาวพพุทธเจ้าพระองค์บําเพ็ญพระบารมีเหล่านี้มาเยอะมาก ฉะนั้นโดยบารมีเหล่านี้ที่สั่งสมมามาในปัจจุบันนะพบเวลากุศลกรรมมันให้ผลอย่างเต็มที่เนี่ยฉะนั้นพระองค์พระเสด็จพระพุทธดําเนินนะไปหน้านะที่ตรงไหนนะจะไม่มีขยะมูลฝอยไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดอยู่เลยก็จะเกลี้ยงหมดเลยจะจะหลบเข้าไปในดินอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นที่พระเศียรของพระสา ม, มาสมุพระเจ้าจะมีจุดๆุๆจุดจุด จ, ด จ, ด จ, ดจดุเนี่ยบ่งบอกถึงพระรัศมีพระรัศมีของพระสา ม, มาสมุพรธเจ้านั้นจะแผ่ออก ตลอดเวลาเลยนี่เป็นอย่างนี้พระเจ้าจะมีพรสมีแผ่ฉออับพันนลังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, จาก็เรียกว่าสีทั้งหกเนี่ยจะแผ่ออกอยากเห็นไหมอยากเห็นหรือเปล่าตอนนี้เห็นในฐานะอะไรในฐานะพระธรรมมีใครถามไหม อุ้ยแป๊บเดียวจะบหมดตัวลายเลยนี่เอาวางอะไรนะสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า <c oughs> อ๋อ คำว่าภาคยะเนี่ยพระภาคเนี่ยมาจากคาว่าอิติปิโสพักขวาเอ่อพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพักขวาในที่นั้นท่านแปลว่าจำแนกก็ได้พระผู้มีภาคเจ้าน่ะทรงจำแนกแจกแจงก็ได้แจกแจงพระธรรมรัตนะแจกแจงศีลแจกแจงสมาธิแจกแจงปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าภาคะในที่นี้นแปลว่ามีส่วนนะพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงเสพสติปทานสมปะปทานอิทธิบาทอินทรีพระละโภชงฉะนั้นความหมายคํานี้มีหลายความหมายนะแต่ความหมายที่เราให้จํากันง่ายๆจริงๆก็คือพระพุทธเจ้า ท, ทรงจําแนกอะไรจําแนกศีลจําแนกสติปฐานสมปะปทานอิทธิบาทอินทรีพระละโภชงอริยมรรคทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น ถ้าศาสนาพุทธสอนเนี่ยเราหลุดพ้นจากสังสารวัตรแล้วหากเราเกิดในศาสนาอื่นที่ไม่มีคำสอนอย่างศาสนาพุทธเราจะมีการหลุดพ้นจากสังสารวัตรได้อย่างไรตรงนี้คือให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาเฉพาะการเขาเรียกศาสนาชั่วคราวยแต่ศาสนาอื่นก็เป็นศาสนาถาวร ตอนที่พระพุทธเจ้าจะตัสรู้ตัสรู้นุตระสัมมาสัมพทาญาณเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าทรงขนขวายน้อยที่จะไม่ทรงสั่งสอนตอนนั้นพรมก็บอกว่าในชมพูทวีปนั้นบรรดาครูทั้ง6คือปุรณ า, า, าคสปะมคค ا ر โคสาลอาชิตาเสกสกคมพลปกุทธากัจายานะนิคนนาตบุตรสัญชัยเวรพบุตรครูทั้ง6เนี่ยเป็นาศาสดาประจําอยู่ในโลกใบนี้ ได้โปรยนามเต็มทั่วพื้นชมพูทวีปหมดแล้วก็คือว่าได้สอนมิจฉาทิฐิเต็มไปหมดฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่เกิดในสังสารวัฏเนี่ยเราก็ไปรับเอาคําสอนเหล่านี้คำสอนที่ไปผิดเนี่ยมาฝังไว้ในจิตของเราฝังไว้ในกระแสชีวิตฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยจึงติดตัวมาด้วยอะไรด้วยมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิด ต่อเมื่อเรามาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาทรงบอกกล่าวมาเปิดเผยมาแนะนําว่าอะไรที่จะเป็นสัมมาทิฐิอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ถ้าถามว่าถ้าไม่มีคําสอนพุทธเจ้าเราก็กลับไปมีความเห็นผิดอย่างเก่าแต่ถ้าตราบใดเราได้เจอคําสอนพุทธเจ้าแล้วฝึก ฝนพัฒนาตนเองจนสามารถประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจนพ้นทุกข์ได้แล้วก็ปลอดภัยไปทีนี้ถ้าถ้าทำอย่างนี้ถามเราจะทําชีวิตของเราให้ปลอดภัยยังไงอยากรู้ไหมบางคนเขาตั้งอัธยาศัยที่จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ตั้งทงของตนเองไว้ว่าเออเนี่ยตอนเนี้เขาควรจะไปเกิดที่ไหนดีใช่ไหม ถามว่าในสวรรค์ชั้นจาตุหมหาราชิกาเท้าจาตุหมหาลาทั้งสท่านเป็นพระโสะดาบันไหมอ่ะเป็นในชั้นาดาวเดงอ่ะเท้าสก่าก็เป็นพระโสะดาบันอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เริ่มคิดแล้วคิดแลาเออเขาจะไปเจอบัณฑิตได้อย่างไรที่จะสามารถทําให้ตนเองไปคบบัณฑิตไปเสพคุนไปสมาคมกับบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสเจอคําสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยตรงนี้จึงอย่าประมาท ให้เพียรพยายามในการที่จะศึกษาให้ติดเป็นอัธยาศัยถ้าไปเจอสิ่งผิดแล้วมันจะได้ไม่ลเอาไม่รับเอามายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆในปัจจุบันพบเนี่ยมีคนคนหนึ่งเ็เกิดที่แอฟริกาเนี่ยนะเป็นคนผิวดำเขาถูกคำสอนของคริสตีศาสนาแล้วก็ศาสนาของอิสลามเนี่ยครอบงำแต่เห็นไหมว่าแต่เขากับอ่านแล้วเขารู้สึกเขาไม่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยศรัทธาเลย แต่เขาอยู่มาจนโตนี่นะพอโตขึ้นมามีอยู่วันหนึ่งเขาได้เห็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เขาเขียนเขาไว้แล้วมีคําว่าพระพุทธเจ้าแค่เนี้แล้วมีรูปพระเจ้าเขาได้อ่านแค่นั้นเขาเกิดความปราโมดปีติขึ้นมาเลยนี่ถามว่าที่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาสั่งสมอัธยาศัยในอดีตไว้อย่างอย่างแข็งแรงอย่างมั่นคงและที่สุดจริงๆเขาก็พยายามหาวิถทางแล้วเขาก็หนีออกมาจนได้ หนีออกจากประเทศนี้หนีเข้ามาอยู่ในอเมริกาแล้วที่สุดจริงเขาก็ได้มาบวชมาศึกษาแล้วก็ได้บวชปัจจุบันเขายังบวชอยู่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนที่ฝังอัธยาศัยในคําสอนของพระเจ้าอย่างแข็งแรงแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรอดถ้าเราคุยอยู่กับพ่อแม่ดีๆคุยไปได้สักพักหนึ่งเกิดโมโหคําพูดของพ่อแม่เราจะบาปไหมออคําโกรธนี่เป็นเรื่องปกติโกรธมันก็เป็นโทสะนีก็เป็นอกุศล แต่ประเด็นก็คือเมื่อเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบใช่ไหมเราต้องเข้าใจกิจจารีศีลข้อนี้ดีท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านทารองวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมเมื่อท่านลงรับทําบุญอุทิศเราต้องฉลาดด้วยในฐานะที่เราเป็นลูกเราพึงปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างไรในขณะที่เราพูดคุยกั บ, กบท่านเนี่ยเราก็จะต้องออประพฤติวจีกรรมให้เป็นสุจริต โดยการพูดให้เป็นถ้าเราเกิดไม่พอใจในคำพูดของท่านก็ต้องระงรับจัดการโทรสะในใจเราก่อนเวลาจะพูดนั้นก็มีสามกรณีหนึ่งจะพูดด้วยเมตตาอย่างไรในยามท่านปกติ 2. ในยามที่ทำ่ทำทาอะไรไม่ถูกหรือพูดไม่ถูกอกถูกใจเราก็ต้องการุนาท่านท่านอายุมากแล้วท่านอาจจะยึดความเห็น ยึดทิศทิยึดทัศนคติมุมมองของท่านไม่ยอมเปลี่ยนเราอย่าไปคิดเปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่นะอย่าไปคิดเปลี่ยนอัธยาศาัยคุณพ่อคุณแม่แต่จงคิดว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรกับคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราก็คิดว่าการที่เราเป็นลูกเนี่ยที่กว่าตอบแทนคุณของพ่อแม่เนี่ยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเนี่ยใช่เลี้ยงยังไงเลี้ยงท่านตอบ ไอทำกิจของท่านดํารงวงตระกูลเป็นต้นก็คือว่าเออเราจะให้ทานท่านเราจะดูแลท่านเราจะประพฤติปฏิบัติเออย่างไงที่จะทําให้กุศลเกิดขึ้นพูดจากับท่านให้เป็นเมตตายามท่านทําอะไรไม่ถูกก็กรุณาท่านถ้าท่านทําดีทําสิ่งที่ดีงามก็พูดด้วยมุทิตาบางครั้งก็ต้องวางใจเป็นกลางร่วมสุขกับท่านยังไงร่วมทุกข์กับท่านยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะเนเออ ถ้าจะรีบอ่านพระไตรปิฎกเล่มไหนที่ควรเริ่มต้นอ้ถ้าอย่างยอมควรจะอ่านกลุ่มจริยาปีฎกนะจริยาปีฎกเกี่ยวในเรื่องของหรือหรืออ่านเกี่ยวในเรื่องของชาดกหรือจริยาปีฎกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยมควรอ่านสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีพื้นฐานนะให้รู้จากคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนั้นก็จะมีชาดก จะมีเรื่องราวที่พระเจ้าที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างไรเป็นต้นอะไรคือพอรหรือมงคลที่พระอริยสงส่วนมากปรารถนาออคำว่าพรพรที่นางวิสาขาไปขอจากพระพุทธเจ้าคืออะไรคือการขอให้มีโอกาสในการได้ดูแลสงเนไมเป็นพรใช่ไหมเนี่ย บางทีเราคำว่าไปขอพอรขอพอรเนี่ยบางครั้งเราไปเข้าใจคำว่าพรผิดกันนิดนึงนะแท้จริงพรในที่นี้ในภาษาบาลีท่านแปลว่าการไปขอโอกาสขอโอกาสที่จะได้ให้ทานแด่พระที่จะเดินทางขอโอกาสในการที่จะไปให้ให้ทานแก่พระที่มาเข้ามาหรือเป็นอาคันตุกะขอโอกาสไปให้ได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ที่ป่วยขอโอกาสให้ทานแก่พระที่ดูแลพระป่วย ขอาการทัให้ทานแก่ให้ถวายข้าวยาคูให้เพศสัชจทานเป็นต้นขอใหการในการถวายที่วัขอโอกาสในการที่จะเจริญตามศีลสมาธิปัญญาอันนี้กับการเป็นพรเบ น, นะยอมขอเรียนถามว่าเครื่องนมเปี้ยวทุกยี่ห้อจะโฆษณาว่าประกอบไปด้วยจุลินทรีย์นับเป็น ล, ล้านๆตัวเมื่อจุลินทรีย์เป็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ย ดื่มเข้าไปขับถ่ายจะเป็นผิดจะผิดจุลินทรีย์ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มีชีวิตเป็นอุตุชลูปไม่ใช่สัตว์ที่มีชีวิตนะเออเอาอย่างนี้นะว่าขออภัยนะเชื้ออสุจิของฝ่ายชายที่เขาเอาไปเก็บเข้าไว้เข้าใจั้มบางทีเขาไปเก็บเขาไว้ในหลอดที่เขาสามารถที่จะเก็บไว้เป็นไม่รู้กี่สิบ ป, ปีก็ไม่รู้ พวกนี้ไม่ใช่มีชีวิตนะไม่ใช่เป็นสัตว์มีชีวิตนะที่มันวิ่งได้อะไรแข็งแรงอะไรที่เขาว่ากันเนี่ยเออในะนเป็นกลุ่มตระกูลนี้แหละฉะนั้นพวกนี้ไม่จัดว่าเป็นสัตว์มีชีวิตเมื่อและก็ไม่มีชีวิตก็ไม่เรียกว่าตายไม่เรียกว่าตายไม่เรียกว่าไปฆ่าเขาอ๋อส่วนธรรมจกกักรเขาเรียกทานองอะไร ก็ทำนองกึ่งกึ่งยอมกึ่งไทยกึ่งลังกาในการทํานองการสวดมันมีทั้งหลายทํานองนะถ้าในคําสอนคาว่ามี32ทํานองมันจะมีทํานองขึ้นกระทบฟังเป็นต้นเลยเนี้ยนะยิ่งเวลาพระเจ้าแสดงธรรมอย่างพระเจ้าจะแสดงธรรมที่มีความไพเราะมากแต่อย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหเทียบไม่ได้เลยเวลากล่าวว่าธรรมก็ดีฟังแล้วไม่ค่อยน่าฟังหรอก ไอที่เสียงสวดดับว ด, ดีที่สุดเอามาจะเล่าให้ฟังนะว่ามีพระรูปหนึ่งท่านสวดคำเพีระปฐานได้เพราะมากออกอักขระเสียงต่ำเสียงสูงเสียงสั้นเสียงยาวเสียงหนักเสียงเบาเนี่ยได้ชัดมากคือท่านเรียนฐานก่อมาครอบหมดเวลาท่านสวดเนี่ยเฮ hey, ตุปัจโยอารามณปัจโยเนี่ยสวดจะฟังเพลาะมากแล้วท่านสาธยายทุกวนันทุกวันเนี่ยนะ ไม่ใช่สวดแบบย่อแบบผ้าะไรเราผ้าไทยเราสวดแต่สวดแบบพิสดารเฮตุปัจโยตีเนี่ยเฮตุเหตุสมยุยตตะการนางธรรมานังตังสมุทฐานานันจะรูปานังเฮตุปัจเยนะปะเยอะก็จะสวดได้เพราะไพเราะมากเลยนะมีอยู่วันหนึ่งท่านก็สวดทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุวันมีวันหนึ่งขนาดท่านสวดอยู่ท่านเห็นแวบเอ๊ะมันมืดๆเนยท่านก็มองเอ๊ะใครท่านก็หยุดท่านก็ถามว่าใคร ปรากฏตัวเดี๋ยวนี้ท่นี้ก็โยมนั้นก็ปรากฏตัวถามว่าโยมเป็นใครยมก็เนนมือข้าพเจ้าเป็นเทวดาเอามาทำอะไรมาฟังท่านสาธยายเอท้าวใหญ่ปฐฐานคำพีปฐฐานท่านดีใจมากเลยท่านก็ด้ถามว่าเออโยมถามหน่อยระหว่างอตาตมาสาธยาย บทปะฐานเนี่ยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเนี่ยต่างกันยังไงเทวดาฟังก็ใสยหน้าเลยว่าเทวดาเขเกิดทันพุทธเจ้าใช่ไหมใสยหน้าบอกว่าท่านเอ้ยเทียบกันไม่ติดเลยเอา้าแล้วยมทำไมมาฟังอะ่ะบอกอ๋อแต่มันหาฟังไม่ได้ถ้าจะอุปมานะอุปมาเหมือนท่านเนี่ย เหมือนท่านเป็นโรคเรื้อนลิ้นไก่สั้นโรคเรื้อนด้วยนะเป็นลิ้นไก่สั้นติดอ่างไอลิ้นไก่สั้นก็พอยังดันติดอ่างอีกแล้วก็มานั่งสาธยายเนี่ยที่ฟังฉะนั้นที่อาตมา ส, สวดนี่ยเหมือนคนลิ้นไก่สั้นติดอ่างเป็นโรคเรื้อนอีกต่างหาโรคเรื้อนคือมนุษย์เน่ยเหม็นไหมเทวดาก็ไม่อยากอยู่ใกล้แต่เขาก็มาทนฟังเยอะ ฉะ น, นเวลาพระแสดงธรรมที่ถูกต้องเนี่ยเทวดาก็มาทนฟังนะ้อ <_ d ata> เขาหาฟังไม่ได้เขาอยากจะฟังนั่นเองฉะนั้นอย่างพวกเราฟังดูเหมือนพรอะใช่ไหมดูเหมือนพราะไหมเอาอย่างพระสวดว่าอย่างเช่นเตนะสมยเยนะพุทธโภพคาวา อุรุเอรายังวิหรารตีนัตชาเนรัญชรายตีเรโพธิรุคามูเรปธรรมพิสัมพุทธโทธฟังนี้พอไหมแต่เชื่อไหมถ้าเทวดาฟังก็เหมือนลิ้นไก่สั้นอย่งนี้เหมือนคนลิ้นไก่สันอย่างนี้เป็นต้นคนที่มี ดีติดตัวเมื่อมีคดีติดตัวถ้าบวชถ้าบวชพระตลอดชีวิตจะรอดจากคาดีตัดตสินเออจริงคนมีคดีเขาห้ามบวชถ้ามีคดีเนี่ยนะถ้าคนติดเขาจะมีเห็นไหมในในในพระวินัยเขาจะห้ามไอหนี้คดีมาเนี่ยเขาจะห้ามโอ้ทั้งนั้น เพราะถ้าหนีหนีคดีมาเดี๋ยวตำรวจก็ต้องตามลักนี่หนีคดีหรือคนที่ไม่ได้ขออนุญาตอะไรเพิ่มพที่บวชแล้วก็สร้างบุญบารมีมานานแต่ต้องมาอาบัติเพราะสีกาหมายความว่าชาติก่อนๆต้องมีกรรมติดกันมาใช่หรือไม่เออก็ <c oughs> <c oughs> ไอ้ตรงนี้ต้องต้องระวังนะฮะเรื่องอะไรนะเรื่องพระก็ต้องพยายามระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทก็ต้องช่วยกันก็ต้องต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ว่าเออเราจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้พระท่านเออมีเรื่องเสียหายกับเรื่องนี้จะไม่ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเออใน มันจะมีเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงต้องระวังสองเรื่องมันโดยมากก็จะเป็นประเด็นมาปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการออกกฎหมายที่จะมีโทษรุนแรงมากขึ้นแต่ถามว่าเนี่ยในชีวิตทุกชีวิตอตยอมเมื่อมาเกี่ยวข้องกันก็มีกรรมเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นแหละแต่จะเกี่ยวข้องด้านไหนแต่พอมาแล้วอาจจะไปเผลอสติหรืออะไรต่างตเหล่านี้ต้องระมัดระวังการปล่อยสัตว์ต่าง มีอานิสงส์ความเชื่อจริงหรือไม่การปล่อยเต่าการปล่อยปลาไหลปล่อยปลาทับทินปล่อยปลาหมอปล่อยปลาบูเนี่ยมาอยากจะบอกเรื่องการปล่อยสัตว์เนี่ยบางทีเราต้องฉลาดด้วยนะบางคนชอบเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำายอเต่ามีสองประเภทเยอไมันมีเต่าบกกับเต่าเต่าน้ำ ไอเต่าบกเนี่ยมันจะไม่มีไอขามันจะไม่มีคีบมันว่ายน้ำไม่ได้แต่คนชอบเอาเต่าเนี่ยไปปล่อยลงน้ำมันตายไหมตายหมดเลยอย่างเงี้ยงั้นเต่าบกมันชอบมันจะอยู่บนบกถ้าเต่าน้ำมันจะขึ้นมันจะเต่าครึ่งบกครึ่ง น, น้ำมันมีมันจะลงน้ำได้ขึ้นบกได้ในการปล่อยเอามาว่าความเชื่อในเรื่องการปล่อยสัตว์เนี่ยบางทีเราสัตว์ทุกประเภทควรปล่อยหมดใช่ไม ควรปล่อยหมดอย่างเหมือนบางคนชอบเลี้ยงสุนัขแล้วโอ้ยเป็นคนมีกรุณาเนี่ยแต่ไม่ชอบเลี้ยงตุ๊กแกในบ้านโอ้ตุ๊กแกในบ้านไล่ฆ่าไปเลยอย่างเงี้ยบางคนชอบเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเห็นไหมมันกรุณามันมันมันไม่มันไม่ทั่ว ไ, ไปในสัตว์ทั้งหลา ย, ยจริงๆควรกรุณาทั้งหมดนั่นแหละถ้าปล่อยก็ควรปล่อยทุกประเภทใช่ไหมควรปล่อยสัตว์ทุกประเภท น, นั่นแหละไม่ใช่ว่าเจาะจงหรืออะไรต่างๆ อนี่ถวายสังฆทานแล้วจริงๆปัญหาเนี่าไว้ถามพระท่านจะตอบเออเวลาถวายสังฆทานตามวัดเนี่ยเช่นมีการฝังลูกในมีดมีการถวายสังฆทานเป็นต้นจริงๆสังฆทานมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจเลยเนะในรายละเอียดนี้ปัญหาข้อนี้ต้องตอบยาวเนี่ย เดี๋ยวไปพาท่านตอบในรายละเอียดคือสังฆทานโดยส่วนใหญ่เราก็นึกว่าแต่เขาเขียนว่าสังฆทานเราน้นวันเป็นสังฆทานบางวัดนี่มีกิจกรรมนี่พูดงี้ไปกระทบกระเทือนเศรษฐกิจวัดเขาหรือเปล่าไม่รู้เนะี่บางทีเราไปบางทีเราไปเขียนว่าเป็นปเราไปนึกว่าสังฆทานมันอยู่ที่ถังไปเขียนแล้วก็วนนะบางวาดัดใช่ไหมเราไปวดัดไปกราบพระกันเนี่ยมาก็ไปยืนดูเออมืนหม น, มนอยู่เหมือนกันนะเขาวนเนี่ยวนไปกับวนมาวนไปกัวนมา เราไม่เข้าใจว่าถามว่าใส่บาทเป็นสังฆทานได้ไหมได้ไหมอยู่ยที่เราเจาะจงว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรื่องนี้ดีเนี่ยรายละเอียดเยอะมากเวลามันกระชั้นชิดใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้พระตอบไปทาบุญลงสอบเออันี้ก็ไว้เอาไว้ให้พระท่านตอบน ไปบริจาคหนึ่งร้อยก็ทำบุญโงสอบกันนบารมีอุปปารมีปรรมัตถบารมีก็มันมันยาว <c oughs> ให้ฟังก็เลือเอามาตอบไม่ได้เนนก็ให้พระเนนก็ฝึกตอบกันเยอะ พอสังฆทานเนี่ยหมวดสังฆทานเนี่ยหมวดเป็นชุดเลยเนี่ยถามว่าเป็นชุดเลยเออในฐานะที่เป็นฆราวาสจะต้องปฏิบัติตัวกับแม่ชีอย่างไรแม่ชีก็เป็นนักบวชเนี่ราก็ควรปฏิบัติในฐานะที่แม่ชีเป็นผู้มีศีลมีศีลมีกัลยาณธรรม คนเราเวลาเขาเคารพกันก็ก็เคารพกันตรงที่ตรงนี้แหละตรงที่คุณธรรมเนี่ยเนี่ยก็ดูที่ว่าเรามีศีลห้าไม่ชีก็มีศีลสิบอย่างเงี้ยนะศีล8หรือศีลสิบอย่งแล้วบางทีก็ต้องดูด้วยนะดูที่ข้อปฏิบัติฉะนันถ้าปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติในฐานะที่ว่าเราควรปฏิบัติต่อผู้มีศีลอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น อย่างเราปฏิบัติกับสมณเณรใช่มสมเเณรก็มีศีลแม่ชีก็มีศีลก็ปฏิบัติแต่ว่าแม่ชีไม่สามารถจะบวชเป็นเณรได้ก็เป็นแม่ชีเพราะเป็นผู้หญิงใช่ไหมดีไม่ถามปัญหาเรื่องพิกษุณีรอดตัวไว นั่งสี่สิบนาทีต่อครั้งดูลมได้ตลอดไม่ได้หลับมีช่วงสุดท้ายห้านาทนีมีลมหายใจแบบเป็นเป็นสีนนขุ่นๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนสักพักมันก็หายไปถามว่าไอ้ดวงขาวขุ่นๆ น, น, นั้นเป็นนิมิตใช่หรือไม่ การเจริญอาณาปนานสติแค่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเขาก็เรียกนิมิตแล้วเป็นที่ตั้งของสตินะแต่เมื่อกำหนดไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นให้สังเกต ด, ดูนะเวลากำสติจดจอ่อสติเหมือนอะไรนะสติเนี่ยเทมเขาบอกการปฏิบัติเหมือนกับเอาไม้แห้งมาสีกันใช่ไหม สีิพอสีนานๆานแล้วเป็นยังไงมันจะเกิดความร้อนไอ้ความร้อนในที่นั้นเหมือนสมาธิส่วนไฟที่ลุกขึ้นเหมือนปัญญาใช่ไหมฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งเมื่อกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเด่นขึ้นตัวนิมิตของลมหรือลมเนี่ยลมมันก็เริ่มแปลง กลายเป็นคุณคุนขึ้นมาหรือว่ า, าวขาวขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นแต่พอกําลังสมาธิหายปุ๊บไอ้สภาพนั้นก็หายไปเห็นไหมเป็นลักษณะอย่างนี้แต่บางคนก็เออแสงสว่างขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้บุคคลบางคนถ้าสมาธิตั้งมั่นได้เร็วนิมิตก็ติดก็ตั้งได้เร็วนะนิมิตก็เกิดได้เร็วหมดแล้ว แต่จริงเนี่ยมีปัญหาอยู่ที่ามามองดูแล้วเออไว้ให้พระท่านตอบตอนกลางคืนที่จริงเวลาพวกเราถามปัญหาเอามาก็เปิดฟังอยู่เนี่ยนั่งฟังฟังลุ้นลุนลุนพระตอบนั่งฟังเอามาเช่นก็แต่บางคนก็ถามปัญหาอะไรก็ไปรู้ถาม มีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งนะเดี๋ยวเนี่ยคนถือสีน5าถ้าอยู่คนเดียวไอ้ถือสีน5าจะทำยังไงให้บริสุทธิ์ตอนสามีกลับมาเนี่ยศีข้อสามจะขาดไหมเออถามถามปัญหาน่ารักจัง <c oughs> ไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยนะยอมว่าสีจะขาดไหม ศีห้าเนี่ยเห็ไหมเขาบอกว่าถ้าอาพ ร, ร์ในท่านห้ามขาดตัดสวัดาชายหญิงเป็นมิ่งขวัญรักษาศีลทรงพศพรหมจันทร์ย่าเหหันห า, หากรามตามใจตนอาการของคนคู่จงรู้เข้าหากทําเข้าศีลขาดพิหนาปนมีโทษหนักนักหนาอย่ากังวลทั้งผัวตนเมียตัวอย่านนเนียใช่ห ถ้าศีลห้าห้ามน้อยค่อยย่อย่นคู่ของตนตามใจศีลไม่เสียแต่ถ้าเป็นของเขาห้ามเขาเคลียรเรื่องผัวเมียร้ายนักประจักตาเข <c oughs> ้าใจป่าวก็ <c oughs> สรบปแล้วได้ไหมเกี่ยวข้องกับสามีนั่นเองก็ไม่เกนะินแ้จากนั้นนี่ถามปัญหามาไม่จะตอบหรือไม่ตอบ <c oughs> นะี่ไม่ตอบก็เดียเด๋ยวจะหาว่าตอบไม่ได้ก็เลยตอบ เอายังไม่หมดเพลนิดนึงงั้นตรงนี้ก็อา้าวนี่มีอะไรนี่อ้อนี้เขาจะถามกลุ่มนี้ถามอาจารย์มีชัยเดเอาไว้ตอนตอนคืนนะเขาถามบอกว่าจะบวชจะบวชที่ไหนดีจเจริญมรณานุสติก็ยอมจเจริญมรณานุสติกันเป็นไหมมรณานุสติก็แปลว่าอะไรการระลึกถึงความตาย นะมันมีคำว่าคณิกามรณะนะแล้วก็การตายทุกๆขณะมนุษย์เราเนี่ยตายทุกขณะเลยนะทุกๆขณะจิตก็ตายขณะรูปธรรมก็ตายทุกๆขณะนี่คือคณิกามรณะอุปเฉถกรรมอออุปเฉถกามมรณะอุปเฉถกมมรณะเนี่ยก็คือการตายแบบทาวรเลยอย่างพระอรหันต์ตายเนี่ยท่านเกิดไหม นี่ท่านห้ามามาเจริญมรณานุสติเนี่ยแล้วก็<ม>การตายที่ควรนํามาเจริญก็คือกาลมรณะและอากาลมรณะเนี่ยชีวิตตินทริย ป, ปัจเฉทามรณะการขาดลงของรูปประชีวิตและนามาชีวิตในภพหนึ่งหนึ่งไอเนี้ยเอามาเจริญวรณานุสติได้ทีนี้การขาดลงของชีวิตรูปประชีวิตและนามาชีวิตของภพหนึ่งหนึ่งเนี่ยมี2ลักษณะ ลักษณะการลมรณะตายในเวลาที่สมควรตายก็อาการละมรณะตายในเวลาที่ยังไม่สมควรตายยังพวกเราที่นั่งกันอยู่นี้สมควรตายหรือยังสมควรหรือยังอ่ะสมควรหรือยังตอนนี้ อ, า, อ า, ายุาคนอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงสมควรตายใครเกินเจ็ดสิบห้าแล้วยกมือมีไหมโอโ้โหเกินกี่ปีแล้วยอม อันนี้ก็เรียกเป็นกําไรแล้วนะเนี่ยออมาเห็นคนอายุยืนอะไรมาชื่นใจนะโอ้ดีคนที่อายุยืนเนี่ยออคนที่ตายบางเทียสิ้นอายุอายุก็คือว่ากําหนดเจดิ้าปีใช่มเจ็ดสิบห้าปีแต่นี้แปลว่าเราอายุเราเกินมาเนี่ยฉะนั้นการเจริญมรณ า, านุสติเนี่ยเขา ให้พิจารณาถึงความขาดไปของรู ป, ประชีวิตและนามะชีวิตมรณานุสตีเป็นสัพพักกะกรรมฐานเข้าใจคำนี้ไหมอา้าวไม่เข้าใจอีกก็แปลว่ากรรมฐานที่จำปรารถนาในกิจทั้งปวงอา้าวไม่เข้าใจอีกก็หมายความว่าเป็นกรรมฐานที่ต้องเจริญอยู่เป็นประจำเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเพราะว่าชีวิตไม่รู้มันจะขาดไปวันไหนใช่ไหม เนี่ยถ้าเจริญวรณานุสติแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ในกลุ่มของสภาพตากะกรรมฐานมันจะมีอะไรบ้างมีพุทธคุณมีอสุภะกรรมฐานมีวรณานุสติแล้วก็มีเมตตากรรมฐานกรรมฐานสี่อย่างเนี่ยต้องเจริญตลอดเพราะเป็นกรรมฐานที่เกื้อกูลแต่เจริญเวลาไหนอ่อเวลาใดศรัทธาถดถอยไม่มีศรัทธาจิตหดหู่ไม่มีศรัทธาเลย เวลานั้นควรเจริญพุทธานุสตินะเพื่อจะทําให้จิตนะั้นเกิดความล่าเริงอาถารและป่องใสเวลาใดเกิดความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินให้เจริญนี่เจริญอสุภะกรรมฐานให้เห็นเป็นของไม่งามในอัตภาพถ้าเมาเกิดเมาในเมาในความงามเป็นต้นเหล่านี้ให้เจริญอสุภะจริงๆมันงามไม่มนุษย์เนี่ย ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไม่มีความงามเลยนะแต่สามารถหลอกคนโง่ได้ใช่ไหมแต่อย่าไปบอกกับสามีนะว่าเราไม่งามไปบอ ก, กเดี๋ยวเ็าหนีบวชแล้วก็เวลาใดเกิดเกิดจิตใจที่ประมาทมัวเมาเวลานั้นควรเจริญมรณานุสติ เวลาใดเกิดความโกโรธ mm. ก็เจริญเมตตากรรมฐานยี่เป็นต้นทิ่มั้ยตรงนี้ก็ก็เจริญให้ถูกกระถูกอาธยาใสายที่เราเราจะเจริญนะั้นสัตว์เลี้ยงมีสุนัขในสามารถเจริญกุศลได้หรือไม่ เราว่าสุนัขเกิดกุศลได้ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> เขามีคนมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีสุนัขพูดได้ามาไม่รู้อยู่ตรงไหนเขามาเล่ า, ามาฟังามาเฮ้จริงเลยเ้าก็ว่าจริงามาแล้วถามต่อว่ามันพูดยังไงบอกเป็นสุนัขที่อยู่ในวัดมีอุบัติหนึ่งพระท่านไปบินบาบพระกําลังจะเดินไปบินบาบมันก็มีถามว่า หลวงพ่อบิณฑบาต ห, ห, หรือหลวงพ่อบิณฑบัตหรืออะไรเงี้ยมันเลี้ยวไป อ, อ๋อไอสุนักเขาถามพูดเป็นภาษามนุษย์ว่างั้นนะอันนี้ไม่รู้แท้จริงยังไงไม่รู้ว่าอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเคยได้ยินไหมไม่รู้มีใครมาเล่าให้ฟังมันมามาเอามาเออแปลกเออบางทีก็ร้องแม่จา๋าพ่อจา๋าว่า ง, งั้นเออสุนัขก็พูดได้เออถ้าถามว่าสุนัขนี่สามารถกุศลเกิดขึ้นกับเขาได้ไหม ก็ต้องได้เออเอามาได้เล่าเรื่องของเศรษฐีใช่ั้ยโตทยะเศรษฐีได้เคยฟังแล้วใช่ั้ยโตทย่าเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยจำได้ใช่ั้ยที่ว่าด่าพระพุทธเจ้าอ่ะเนี่ยด่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นส่วนบาปโดยส่วนใหญ่เนี่ยบาปจะเกิดมากกว่าบุญเนะ บรรดาสุนัขทั้งหลายเลยเนี่ยบาปก็จะเกิดมากกว่าบุญถามว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับสุนัขได้ไหมไม่ได้จะไปอุทิศยังไงคําว่าอุทิศในที่นี้หมายความว่าให้อาหารถวายแต่สงแล้วถ้าอุทิศไม่ได้อย่างนี้แต่เราสามารถจะแผ่เมตตาเขาได้ไหมได้แผ่เมตตาได้แต่อุทิศส่วนกุศลนั่นไม่ได้เพราะเขามีอาหารของเขามีอะไรของเขา สัตว์นรกสัตวราชฉานเปรตอสุรกายเอางี้สัตว์นรกสัตต์ราชฉานเปรตและมนุษย์อาเนระหว่างสัตว์นรกกับสัตวรัจานเนี่ยใครดีกว่ากันฮะระหว่างสัตว์ดราชฉานกับเปรตใครดีกว่ากันใครดีกว่ากันอ้าวใครว่าสัตวราชฉานยกมือขึ้น ใครว่าเปรต ด, ดีกว่าใครยังคิดไม่ออกสรุปแล้วก็คือเปรต ด, ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นเป็นกลุ่มของอบา ย, บายภูมิประเภทที่สองตอนนั้นภาษาลีบุตรถามพราหมณ์คนหนึ่งใช่ซึ่งเป็นผู้มีความเห็นผิดเนี่ย ตอนนั้นมีความเห็นถูกและต่อมาไปได้ภรรยามีความเห็นผิดก็เลยทําให้ตนเองมีความเห็นผิดด้วยภาษาลิบุตรก็ถามว่าสัตว์นรกกับสัตว์เดรัจฉานท่านเลือกอะไรสัตว์เดรัจฉานระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เออกระเปรดหมอกเปรดระหว่างเปรดกับมนุษย์มนุษย์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาอเทวดาระหว่างเทวดากับพรหมกับพรหมนี่ยภาษาริบุตรก็เลยแสดงธรรมเกี่ยวเรื่องพรหมวิหารท่านก็กําหนดพรหมวิหารต่อมาท่านตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะฮะ สรุปแล้วก็คือว่าสาัตว์เดรัจฉานต้องกรุณาเขาเยอะๆเพราะเขาเป็นอบายภูมิประเภทที่สองซึ่งมีความทุกข์มากมีความทุกข์มากเพราะโมหะมีกำลังเยอะหมดเวลาแล้วอดีตส่วนกวุศล น, น่อยสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ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 โปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธินสาธุสาธุสาธุ